จะได้จนทวกเราไม่ได้อันหนึ่งก็ได้อันหนึ่งหาเองให้คนอื่นช่วยบ้างก็คนบอกบ้างสอนบ้างเราสอนตัวเราบ้างพระพูดธพระธรรมพระสงฆ์สอนเราบ้างครูอาจารย์สอนเราบ้างในรอบตัวเรานี้มีแต่ สิ่งที่เป็นคุณเป็นค่าถ้าเราใช้ชีวิตเป็นคนโวราณไม่ได้เพลงขอมลูกก็เป็นมักเป็นผลลูกล้มก็มีแต่พระไม่แต่ท ร, ร ม, มาช่วยได้เห็นลูกล้มก็คคณพระช่วย ลูกตกบ้านตกเรือนโอ้ยคุณพระช่วยอย่าได้จน <c oughs> เพลงของลูกเพลงของนอง้องน้องเออลูกเจ้ามาเขยาผอลเออดองเจ้ามาเขยาผลพัฒ น, นาตนทั้งกายและใจบ้านพี่เมือนน้องปองดองกันไว้ วัฒนามีชัยเป็นจกทุก ป, ประการเถอขความูกก็เป็นมากเป็นผลอย่าจนความโกรธอย่าไปจนัความโกรธความไม่โกรธมาพร้อมกันความหลงมาพร้อมกันความไม่หลงถ้าเราหลงมันก็จนถ้าเราโกรธมันก็จน ยิ่งทุกข์ยิ่งยากยิ่งอดยิ่งอยากถ้าไม่หลงไม่ก็ไม่ทุกข์ไม่ยากไม่อดไม่อยากในชีวิตเราเนี่ยทางด้านร่างกายก็อย่ายอมจนก็ย่อนเหมือนเพียรต่อมาหาจินด้วยจักหารู้จักรักษาดยา้ยจักใช้ทางขีดใจก็ให้มี จะให้ได้จนจนใจก็เป็นทุกข์เป็นโทษจนกายก็เป็นทุกข์เป็นโทษโอดจอมคนเกียรขัน้นเป็นคนทุกข์คนยากคนคนโอดทุนยากคนขยันย่อมหายซับได้คนเกียร์ขัน้นย่อมนอนเป็นทุกข์แต่จนใจก็มีผลก่ทุกข์เช่นขงวงโกรธเป็นผลก่อทุกข์ต่อตับ ความเครื่องเพียดเป็นผลกรทบต่อหัวใจควาวิตกกังวลเป็นผลกระทบต่อประพออาหารความหมดอะไรน้อยเนื่อต่ำใจเป็นผลกระทบต่อปวดตอม้ามอะไรต่างๆไปยตามทำามหมอตามหมออธิบายถ้าเราจนซื้อไปนอก ก็ม <invece> ีผูก่อโทษไม่มีอยู่ไม่มีกินมีที่อาศัยไม่มีเครื่องนุ่งห่มต้อยมีหลักไม่ฐานหลักของใจก็มีสติสัมชัญญาเหมือนบ้านพ่อบ้านแม่มีสติเหมือนอยู่บ้านพ่อ มีสิติเหมือนอยู่บ้านแม่ขาดจิติเหมือนคนไกลบ้านก็เไม่รู้จะเป็นยังไงคุ้มไร่คุ้ดีผู้ผู้แพร่แพรเราไม่ต้องจนมีนสิติเอาไว้ดูสกบระดึกได้ก่อนพูดก่อนทำก่อนคิดด้วยจักรทิศด้วยจักทางการใช้ชีวิตความผิดมาทางไหนความถูกมาทางไหน โดยควาผิดอย่าไปจนในความผิดในความผิดมีความไม่ผิดในความทุกข์ใความไม่ทุกข์้วยความโกรธมคนความไม่โกรธในความหลงมีความไม่หลงในความเกลียดมคนควมไม่เจีในควมเจ็บมีความไม่เจ็บในความตายมีความไม่ตายเหมือนพระศิรธรรมมองโกรธเกลียดตายมองอย่างนี้อย่ามองแบบจน ถ้าเรามีกําลังศรัทธาเรื่องนี้มันจะมันจะไม่อ่อนแอม่จะเข้มแข็งเช่นความโกรธอาจจะเป็นความยิ้มยิมสักหน่อยไม่ใช่หน้าโกรหน้าบึง้งเพราะมันเห็นแต่ความทุกข์ก็ยิ้มยิ้มห่อรับความทุกข์ห่ารับความโกรธได้ถ้าเรามีความเข้มแข็งนี่หลักล้วเรามีกําลัง มองดงเป็นทุ่งไปเลยแต่คนเหยียข้างมองทุ่งเป็นป่าไปเลยใจประสงค์ใจประสงค์เลีาา้วเมื่อแกวกเดินหอดโบราณท่านว่าเดินดันไปจนถึง เราจึงมีความเพียรความเพียรคือความขยันก็ภาวนาคือทำให้มีทำห้มากกิง ท, ที่มันมีหาให้มีทิ่ที่มันเสียไปแล้วหาคืนมาดัางนี้ก็มั่งคั่ง ถ้าสิ่งที่ไม่มีไม่ได้หาจิ่งที่ไม่ไมันหายไปไม่ได้หาให้ ข, ขึ้นมานั่นก็มิตรยากจนความทุกข์ก็มีความทุกข์อยู่จรงนั้นมันไม่มีสิ่งที่ไม่ทุกข์มันก็มีความทุกข์ในความทุกข์ในความไม่ทุกข์ไม่อยู่ในตัวในความหลงไม่อยู่ในความไม่หลง มาพพ้่มกันเหตุเกิดแต่เหตุดับก็ดับที่เหตุไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปหาที่อื่นเหตุเกิดตรงใดแก่เหตุตรงนั้นกมหลวงเป็นความลูกมาพพิ่มกันอย่างนี้ เราจึงมาสร้างเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีคนมีปัญหามีคนก็มีปัญญาเพราะปัญหาชเช่นเชื่อโลกมีปัญหาคนก็ไม่ยอมแค่ปัญหา เช่นพวกหมอคณนะวิทยาศาสตร์อยู่ไม่อยู่นิ่งติดตามอยู่เรื่อยหาเหตุหาปัจจัยอยู่เรื่อยหลวงตาก็ไปสอนทำที่โนอหาห์ใจคณนะหมอหลายสาขามาประมาณสองร้อยสามร้อยคน อยู่สี่วันนั้นแต่เช้าจนถึงสองทุมงท่มสามทุ่มกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ภาคบรรยายพิเศษก็มีภาคบรรยายในภาคปฏิบัติก็มีต่อให้หัวขอ้อพูดสติเพื่อนแท้ของชีวิตต่อมาก็ ในสติมีความรู้สึกตัวไม่เป็นอะไรกับลายไปถึงกายป่วยใจสบายหมายถึงมันก็งีเบื้องโทนท่ามกลางที่สุดชีวิตของเราเนี่ย เบื้องต้นสติข้ามกลางสติที่สุดสติมันเหลาเก้า 9, แร ก, ก, 9, แรก 2, คือเก้าเก้าที่สองคือเก้าเก้าที่สามก็คือเก้าเก้าแรกถึงเก้าสุดท้ายถึงจุดหมายปลายทางถึงมาก็บอกให้ถึงไม่ถึงก็บอกไม่ได้ถึงเช่นมันทุกข์ก็ยังเดินไม่พ้นทุกข์ อพระรก็บอกว่าไม่มีทุกข์อย่างพู้ทีทธเจ้าของเราชาชิ่นแล้วปรมจันยู่จบแล้วจิตอื่นที่ต้องทำไม่มีอีกแล้วจบแค่นี้ชีวิตจบแค่นี้เพี่นดินสุดแค่นี้ทุกข์เราก็หนดรู้แล้วธรรมุรไทยเราก็เห็นแล้วสิ่งที่เกิดได้เกิดทุกข์ วิธีปฏิบัติให้ถึงทุกเกิดที่ทุกเราก็ทาแล้วเราก็เลยพ้นแล้วเรียกว่าอรีษศรีเหมันเห็นงูเห็นงูเห็นทุกเราอยู่ใกล้งูเหตุยบไปอยู่ใกล้งูงูใกล้ในแช่งออกไปการออกไปแล้วก็ออกไปแล้ว แต่เยืนอยู่นี่มันไม่ได้งูมันแผลไม่เบีย้ยชูคอใส่เราอยู่เราก็ถอยออกไปแล้วก็วิธีออกไปของเราออกไปจริงๆออกไปทีแรกก็เก้าหนึ่งก็ไปออกจากงูสองเก้าไกลออกจากงูเก้าไปไกลถึงที่สุดพ้นแล้วเรากับงูก็อยู่ไกลกันแล้วงูไม่ได้กัดเราแล้ว ควมพ้นเราก็รู้ปลอดภัยแล้วมัอ น, นลงตาไปเจอหมูสลิงไปในตดงคนเดียวในป่าในถ้ำนัดกับเพื่อนเพื่อนนัดแล้วไม่ไปตามนัดเราไม่รู้เอาเพื่อนเป็นคนที่ไปอยู่ในถ้ำแม่งนันมาก่อนเรานัดพาไปพบกันที่นั่น ในกลางดงชุมพลจังหวัดชุมพลตลาดใหญ่เททุกวันนี้เป็นตลาดไปแล้วแต่ก่อนเป็นกลางดงที่เขาจุดประทัดมากๆดังเรานั่งรถยนต์ผ่านแต่ก่อนเป็นดง่านเข้าไปในถ้ำจากรถจากที่ลงรถเดินไปจิตโชมอ ไปถึงก็ข้ามมืดเดินเข้าไปในถ้ำมาจะไปพัก่ําแต่ไม่เห็นเพื่อนเห็นแต่์ผงดิงกระมูดตัวใหญ่สามสบสี่สิบตัวมันกูออกมาจากถ้ำมันจะกัดเรามันหลายตัวตัวใหญ่ๆเท่าคนเนี่ยกระมูดหางกินกิ้นหางปองป้อมหางชันชันมันดุ มันยิงเขี้ยวใส่เราโกก้าโกโก้แล้วก็มองมันตอนเราเดินไปหามันบรรยากาศเราก็เดินถอยหลังออกมาขณะนั้นเป็นยังไงขณะนั้นก็ไม่ได้ความไม่มีความกลัวอะไรมีแต่คิดไหนเจว่าขอโทษเราไม่คิดว่าพวกเธออยู่นี่ ที่ว่าจะมาอาศัยถ้ำมานอนที่นี่มันก็ข้ามแล้วแต่ไม่รู้ว่ากเธอทั้งหล่ออยู่ขอโทษเขาก็เลยถอยออกไปด้วยความยิ่ยมเยี่ยมแเฉมใส่ไม่ได้กลัวไม่ได้จะทุกสะเทืนไม่ได้อะไรหวาดอะไรแอะไรทั้งหมดถอยออกไปแล้วก็ตามเราออกไปเวลาดูมองมันที่ใดมันก็ยิ่งเขี้ยวใส่ เราก็ไม่ได้มองมันเหมือนกับเพื่อนกันคิดว่าเป็นเพื่อนกิดเจ็บเจ็บตายด้วยกันเราก็ไม่เบียดเบียนใครจิพใจชัดตาชัดทั้งหลายไม่ได้เบียดเบียนไม่ภั่บาทไม่มีเวรไม่ภั่ต่อกันเราไม่มีเวรไม่ภัยต่อใครท่านก็ไม่มีเวรไม่ภั่ต่อใครถอยออกมามันก็ตามออกมา มาถึงหน้าถ้ำมีพระลานเห็นอยู่หน้าถ้ำเราก็นั่งลงตรงนั้นข้าพอดีเอาเปิดเอบาดออกเอา <c oughs> มุ่งออก <c oughs> ก็กางกอดที่นั่นมันก็ลั่งล้อมอยู่เวลาเราดูวันทีแรก็ยิ่งเขี้ยวใสอ่านถ้ำท่า แต่ว่าเราก็ไม่ได้สนใจไม่ได้สะทกสะเทือนไม่ได้กลัวไม่ได้คิดจะวิ่งหนีมันก็มันก็มันก็มองไปมาๆก็มองเฉยๆมองหน้ากันเฉยๆแล้วก็การกดเสร็จแล้วก็เข้าในมุ้งเขาบอกมันว่าอย่าอย่าหนีไปไหนนั่งอยู่นี่แหละมุมงรุ่มมุ้งลอมเราไว้ขอเป็นเพื่อนกันเถอะในคืนนี้ ไอ้พวกเธอนอนอยู่นี่ล้อมเราอยู่นี่เป็นเพื่อนกันแล้วก็นอนหลับไปเลย <laughs> เออตื่นขึ้นมาก็ไม่เห็นเหลียงเลยมันหายไปไหนก็ไม่รู้มันคงเกี่ยวเข้าไปในถ้ำเลยเนะี่ยไม่ต้องกลัวนะ่ะเห็นอะไรต้องมีปัญญาแบบนี้อริยสัจคืออย่างนี้นะเห็นเหตุมันนะ่ะ ก็ไม่ไม่ไม่ไม่ทำไม่เหตุมันเกิดขึ้นหนีไปพ้นไปไเห็นความหลงพ้นความหลงมันหลงไปทางไหนหลงเร้วมเกิดอะไรขึ้นพอใ จ, ใ, จใจไม่พอใจอ้าวไปถึงพอใจไม่พอใจสละความพอใจไม่ไปถอยออกถอยดอกในความพอใจความพอใจมันก็เป็นเป็นภัยอันหนัก ามไม่พอใจก็เป็นภัยอันหนึ่งตอนความพอใจแล้วความไม่พอใจในโลกออกเสียได้มีสติแล้วแหละอยู่ตอนที่เราสวดสติปัฏฐานนสดุดกายานะฮึกู่ในกายในกายอยู่เป็นประจอมตอนความพอใจแล้วความไม่พอใจในอันเกิดขึ้นเสียได้มีสติแล้วแหละอยู่ ความเพียรเพื่งองขาเจริญมีสำสัญญะนัะ่นอันนี้ก็เหมือนกันนะความหลงมันมีหรืว่าอันนั้นแหละมันจะมีประโยชน์แล้วก็เห็นความหลงและจึงเป็นพุ้นผู้พุ่นจากความหลงเห็นความทุกข์จึงพ้่นจากความทุกข์มีไหมเห็นความโกรธจึงพ้่นจากความโกรธก็เห็นแล้วไหมนี้ไหม ไม่ทำไม่แจมแจ้งทำไม่แจ้งซานี่คือความโกรธนี่คือความทุกข์นี่คือความหลงนี่คือความโลภมันเป็นพิษเป็นภัยต่อเราหนีมนซ้อมันหนีได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้อย่างเนี้ยเ ต, ติเป็นอย่างนี้เหมือนอนดีซัเหมือนเรามีเงินหิวข้าวมีข้าว ม, มีเงินซื้อข้าวจีนหนาวมีเงินซื้อผ้าห่ม ฝนตกไม่มีหลังคาชื่อมีเงินชื่อสังศีชื่อไม่กระดานได้มาปูดูได้ก็มีเงินมีสติอย่างเดียวเป็นทั้งหมดของอดีศพไม่ต้องเสียนไม่้งฐานมีทั้งอภัยไม่ต้งบุญมีทั้งกุศลเหมือนมีเงินไปสภาพไปเป็นอื่น ได้น้องตาก็ใี้คนถวายปัจจัยขึ้นเครื่องบินไหวก็ขึ้นเครื่องบินกับขึ้นเครื่องบินมาง่ายนิดเดียวจะหาดใจถึงข้อนแขนจะข้อนแขนถึงหาดใจเฟ็บเดียวคุณหมูยังไม่มาขึ้นรถไฟ สิหชั Then, ่วโมงมาถึงกรุงเทพลงเรื่อขึ้นเครื่องบินชั่วโมงเดียวถึงกรุงเทพบนหมูก็ลงออกจายังไม่ถึงกรุงเทพมาต้องสิบก้าชั่วโมงนั่งกจะนั่งรถกรุงเทพมาขี่ขึ้นอกก็หชั่วโมงลงเคื่องอีกสิบสองชั่วโมง ตั้งแต่ตอนเย็นเมื่อวานนี้ท2งชัง่วโมงสามโองสี่โมงเช้าจะถึงกรุงเทพห่ะไกลเกินแนละ้ามีเงินก็สะดวกปัดใจแปสภาพไปเป็นเลือดเป็นเนื้อของเราไปหมดนาโจมซื้อข้าวให้อาหารการกิน เาว่าเป็นเลือดเป็นเนือ้อเป็นกำลังเป็นชีวิตเป็นปัญญาเป็นมากเป็นผลไปไกลโนนบอกอยู่เนี่ยพรามีชีวิตในเลือดในเนือ้อหรืกำลังให้ออกไปทำมันก็เกิดมากเกิดผลมีสติบอกว่ามีสติไปในกายมีสติไปในเวทนาัน้นสศกมันทุกอยากให้มันสูกมันทุกมันมีมันหลง ไม่เมืนเป็นรู้คือศอนทองเหมือนเราหาเงินหาเงินยังเดือนหนึ่งคิดออกเท้หนึ่งโดยจะได้อันปฏิบัติธรรมมันไม่ต้องรอปิกมือขึ้นก็รู้วางมือหลงก็รู้เดินแต่ละก้าวก็รู้ไม่ต้องรอเวลามันหลงก็รู้นอนเปลี่ยนหลงเป็นรู้นั่นแหะ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 เป็นผลแล้วก็วิธีออกจากงูเห็นแน่นอนแล้วว่างูงูจงหางงูพิษกัดตายหนีออกไปเป็นมากพ้นจากงูเป็นผลว่าแจ้งแล้วพ้นแล้วปลอดภัยแล้วทุก์หตุที่เกิดทุก วิธีออกจากทุกข์ขจากทุกข์ด้วยทุกข์สมุทัยโลดมรักมาษาบาลีภาษาภาพปฏิบัติมันหลงมีสติประกอบของลูกขึ้นมาเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงหรอกเป็นมรรคเป็นผลในตัวนั่นแล้วมันหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงหรอกมรรคเป็นผลแล้วเห็นเป็นเหตุ รู้แล้วว่าทุกวิธีออกจากทุกเปลี่ยนทุกเป็นไม่ทุกทําให้เสียจแล้วพ้นแล้วจากทุกหลงทีใดรู้ที่นั่นแต่เช้า น, นี้ชํานาญเป็นปริญญายาติปริญญารู้แล้วดีละขณภิญาออกไหนี้แล้วปานัปปิญาพ้นแล้ว ปัญญาในชีวิตอย่างนี้พระเจ้าได้ปัญญานี้จากปัญญาที่เจ็บจมมา1ิบเ็ดศาสตร์ยังไม่เป็นพทธเจ้าพอได้ปัญญาเนี่ยมันเป็นพทธเจ้าขึ้นมาธรรมชาติถิ้นแล้วภพฌานจืบแล้วมันต่างเก่าพ้นว่าว่าเดิมคนเคยมีหลงพ้นะวมหลง สิ่งทำไม่หลงไม่ไม่หลงแต่ก่อนถึงทําให้ทุกข์ไม่ทุกข์มันพุ่นจริงจริงมันต่างเก่าจริงจริงนว่าวิปัสนาวิคือวิเศษวิวิไยไยนํานไปสู่ความวิเศษที่ว่าธรรมบินายปิคือวิเศษนไยะนํานไป ถึงสึงจุดหมายปลายทางของวิเศ ษ, ษพ้นภาวะเดิมต่างเข่าพ้นภาวะเดิมอย่างนี้ต่าธรรมวินยัยธรรมวินัยนี่พระพุทธเจ้าตัดไว้ไดีแล้วเธอจงมาประพฤติตามธรรมวินัยนั้นเถิดเธอจงพึ่งปฏิบัติตามธรรมวินัยให้เป็นที่ชิ้นทุกเถิดเท่านี้สะหมายต้นต้ น, ตนการสนว่าสง ไม่มีอะไรมากท่านจงเป็นพิกสู่มาเถิดตอนไม่ไหนเราตัดไว้แล้วท่านจงเป็นผู้พืชตามทำนั่นเถิดท่านจงเป็นผ้าผู้ใดเป็นพระหานยังไม่ได้บวชพอฟังเทศแล้วเป็นพระรอรหันยังคนทายาผามวับ ป, ปะ พัติยะมหานามาอจฉิวันรู้เป็นพระหันแล้วมาขอบวชอันบวชผู้เจ้าก็ใช่ว่าจาว่าเอหิภิกขุอุปสมบทาท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดตอนวันไหนเราตัดไว้แล้วท่านจงเป็นพผู้ผู้พิตามทำนั้นเถิดนี่ผู้ผู้เป็นพระหันก่อนแต่ผู้ยังไม่เป็นพระหาร ก็มีคําพูดต่ออีกนิดหน่อยท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทําไม่ไหนเราตัดไปดีแล้วท่านจงเป็นผู้พึ่ตามทําไม่ไหนนั้นให้เป็นที่ชิ้นทุกข์เถิดให้เป็นที่ทิ้นทุกข์เถิดต่อไปถ้าผู้ที่ไปเป็นพหันแล้วก็ปฏิบัติตามทําไม่ไหนนั้นเถิดถ้ายังไม่เป็นพระหันก็ให้เป็นที่ชิ้นทุกข์ต้นเถิดน้าเป็นภิกษุเลยมีเท่านี้ กายบวชเข้ามากโนอนโคนไม้นนเหลื่อนวางนอนทาเธอจงนั่งกายให้ตรงลำลองจิตให้มัน่นมีจิตเรื่องเขา่าจิตเทธอ์เจงบิดน้ำในเรือของเธอน้ำเรือของเธอคืออะไรคือลาคะโทสาวะวะิดออก เรือของเธอจะวิ่งถึงที่จุดหมายปลายทางได้ง่ายถ้ามันหนักด้วยราคาโทสะโมหะเรือของเธอก็หนักวิ่งได้นาน ถ, ถึงเธอจะวิดน้ำออกเวลามันหลงวิดออกอย่าให้หลงเป็นหลงให้หลงเป็นรูวิดออกให้ทุกเป็นรูวิดน้ำออกให้ราคาโทสะเลามันเกิดขึ้นก็วิดออกให้รูนั่นแหละ เรือไม่จะเบาการเบาอย่างนี้หรือกายละหูตาเบากายจิตละหูตาเบาจิตแล้วก็หลุดพ้นได้กายวิเวกอยู่อย่างนี้จิตโดยเวกอยู่อย่างนี้วิเวกคือมันหลงรู้วิเวกแล้ว วิเวกคือมันทุกขรู้วิเวกแล้วจิตวิเวกอุปธิวิเวกมันก็หมดความหลงก็หมดทั้งสุดท้ายได้ความโกรธง็หมดครังสุดท้ายได้ความทุกข์ก็หมดครั้งสุดท้ายได้อย่างนี้ไม่ใช่ว่าหลงจนตายโกจนตายเดินเข้าแล้วก็เจอความหลงมีความรู้มีความหล ง, ม, ม, ลงมันไม่ฟรีเราทํานี่มันมีเหตุมันมีผล ไม่เชื่มันไม่มีอะไรเรามีสติยกมือขึ้นยกมือลงก็มีหลงแชกขึ้นมาแล้วก็นั่นแหละเหมือนเราควนน้ําให้หมันขุนปลาอยู่ในน้าก็บวชนขึ้นมาจับปลาได้ตหลานเขาไม่มีเครื่องจับปลาเหมือนตะวันนี้เวลาไปลงปลาที่ไหน น้องตาเป็นเด็กสมัยเห็นคนแก่เห็นพ่อเห็นแม่ไปหาปลาอ น, นัดกันไปก็ดางไปกัดไว้เป็นวังแล้วก็ก็ตัดทุบไม้ตัดทุบไม้มาลากน้ำแก่ไปแก่มาช่วยกันลาก แต่ไปเจอมาตีน้ําเล่นน้ำเจอไปเจอมาน้ําร่อยวนไหลเวียนไปมาน้ําก็เพิ่มมากขึ้นบ่บบ่บ่หลายคนเล่นน้ําเอาไม้เอาจิงไม้ใบไม้ไม้ลากในน้ํำน้ํามันก็เทือมันก็ขุนขึ้นมาปลาก็งอมขึ้นมาแล้วก็สมัยคือจับปลาแตมีกับสวิงก็แตงแม่นว่าลัง ก็ตาก็ตาก็ตาก็ตาก็วางทีตัวไรที่มันกลัวมันละก็โลดขึ้นฝั่งเด็กน้อยอยู่บนฝั่งมันไล่คุกป่าอันนันอันนี้มันก็งอมเนี่ยเราสร้างเหมันความเพียรมันงอมขึ้นมามันทุกข์นะมันทุกข์แล้วมันงอมแล้วเราจะได้เห็นอีณหรือทุกข์อันนั้น ห ล, ลงหงงเข้ามาแล้วเลเห็นความหลงสติไม่อยู่แล้ว<ป>เห็นความหลงเปลี่นหลงเป็นรู้นะมันทุกตอนไหนเวทนาอะไรกายยังไงมันเกิดยังไงจิตมันก็เกิดขึ้น ม, มันคิ ด, คดนั่นนะมันคิดไปก็รู้อะมันคิดไปตั้งใจน่ะรู้แล้วกลับมาเกิดมากําหนดที่ตั้งเหมือนกับเราลากพุชป้ายลากอยู่ในน้ํา แด้เพิ่งไปสนใจมันลากมันแต่พื่อเพือให้มันกวนมันมันก็ขึ้นมาในความหลงควงอะไต่างๆเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมธรรมที่มันเกิดขึ้นเกิดกลุง้งงเหงาหอ น, อนมีไหมเกิดความคิดทุง่งซ้านมีไหมโอ้ยหลวงพ่อมาสวนเราอยู่เนี่ยบางคนมาปฏิบัติธรรม มาถามหนูมีลูกสองคนหนูจะเลี้ยงลูกไหวไหมเน่จะมาอยู่เนี่ย <c oughs> ก็คิดถึงบ้านไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่เดี๋ยวนัดลูกไว้ให้เขาให้มาสี่วันห้าวันเขาจะมาห้าวันเอากลับบ้านบางทีไม่มีเลยนัดเกิดขึ้นเองต้องกลับ จำเป็นจำเป็นแหละเคยเห็นหลวงพ่อมาปฏิบัติธรรมกับเราตั้งใจมาบายบาทพายอบมาผมตังต้งใจมาอยู่กับอาจารย์ต่อคุยกันไปคุยกันมาพุกบุดีมาสูบมาที่นี่เขาไม่สูบบุดรีนะ ก็เลยเอาดีเข้าหวาดเ้าย่ามาคุยกันไปคุณเออถึงนั้นผมผมไปเยี่ยมญาติก่อนเอาเยี่ยมญาติไหนอยู่เนี่ยบ้านใหม่เนี่ยย้าไปไปไปก็ไปโอ้นี่ก็ไปไม่ได้เลยมันค่ำแล้วไปไปชั่นหน่อยก่อนเอาไปแล้วก็ไม่กลับมาไปนอนหยุดในบ้าน เป็นนนอยใต้เล่าเขาไปถามว่าหลวงพ่ออยู่ไหนละ่ะหลวงพ่ออยู่นอนอยู่ใต้เล่าละ่ะเอา้า <laughs> ทําไมนอนใต้เล่าละ่ะไอ้ว่ามันหนาวสิเท้มันมันมันมันอยากสูบุดีมันอยากสูบุดีนยายอยู่วัดไม่สูบุรีเอาไปาไออกมาเลยไม่ออกมาวันเลยกลับบ้านเลยแหวงเตะบอกว่าที่นี่ไม่สูบุรียังไม่ห้ามเลย ตอนนั่นก็ไปกันแล้ว อ, อบรีมเป็นใหญ่ถ <c oughs> ้าไม่ซุบรีก็ไม่ต้องกินข้าวละมันคิดไปทำนองนันและแล้วนั่น น, น่นอะอะไรมันคล่องบวงไม่ต้องไหมอเราจะมีสติเห็นมันกวนมันครูขึ้นมาโอ้นี่อื้งเอื้อ่ยเห็น <c oughs> เห็น อะไรที่มันเกิดขึ้นนิวรณ์ละทางพวกโวหอนอนกามละคะปฏิฆะความโกรธความคิดอะไรมันแทรกขึ้นมาเวลาไม่ปฏิบัติเหมือนมันไม่คิดเวลาปฏิบัติทําไมมันคิดมากเครียดก็เครียดคิดก็คิดง่วงก็ง่วงเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้แล้วก็เห็น เห็นอะไรก็รู้รู้แล้วเวียนวันลองดูใจดีๆใจดีสู้เสือเวลามันคิดก็เห็นมันคิ ด, คดอย่าเป็นผู้คิดความคิดเป็นอันหนึ่งตัวรูปเป็นนันหนึ่งมันมีอยู่คิดที่ไม่ตั้งใจและไม่คว ร, ค, วรคิดอะไรในเวลานี้วางไว้ก่อนตัวสอบก็ปิดไว้ก่อน ันังสือพิมก็ไม่ต้องอ่านวิทยไม่ต้องวังตัวทัชทีวีไม่ต้องดูลองมาดูเนี่ยกยายรุพจนาเนี่ยให้มันรู้อยู่เนี่ยสิบสี่จังบวะสิบสี่รู้เนี่ยในคืนวันเป็นเดือนหกจิทตถะทำอย่างนี้กูแขนเข้ารู้จักตัวยเยอชันออกรู้จักตัวเพราะจิตตถะทำอย่างนี้ เนีน่บางทีก็หายใจเข้ารู้ถึกตัวหายใจออกรู้ถึกตัวนังที่บ อ, องว่าจะเดินยังมีรอยเดินอยู่ที่ต้นสีมหาโพธิเหนือของสีมหาโพธิมีรอยพระบารเดินจงกรมอยู่ที่นั่นในคือมันเป็นเดงออกไม่มีหนังสืออ่านไม่มีเพื่อนมีแต่รู้เห็นรู้เห็นหลง บางทีพระองค์ก็คิดไปถึงพิมพาถึงลาหุน่นคนมีลูกมีเมียก็ย่อมคิดถึงลูกถึงเมียเคยเคนมีจิตเดชตนาก็เคยเยี่อพระราชีก็คิดถึงคิดถึงพระราชเจ้ามวดคิดถึงประสาสาวรูดูมันคิดไปกับเวลาเนี้เราไม่ใช่มานั่งคิดเรามาบำเพ็ญสำนึกธรรมมีสติมีสติหเห็นสร้างสติ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 เราเห็นเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี้ยตั้งไว้ที่นี้ให้มันรู้อยู่เนี้ยนั่นจะเกิดอลไรขึ้นมานรู้อยู่เนี้ยน่าจะตายมันตายลองดูเหมือนกับพระิท ธ, ธัตถะสมัยยังไม่เป็นพระเจ้าเราจะนั่งนี่เป็นครั้งสุดท้ายแม่เลือดเนื้อเหงอเอ็นกระดูกกระปูพังก็ตามจะไม่หนีเราพิจารมาหกปีแล้ว ตั้งใจแล้วสั่งพิมพาแล้วสั่งพิมพาคนเดียวนอกนั้นไม่สั่งเลยก็จะมาศึกษาเรื่องนี้ทำไมจึงมีเกิดมีแจ็มีเจ็บ ม, ม, มีตายถามใครให้รู้ไม่มีใครตอบได้เราจึงหาคำตอบเรื่องนี้ให้ได้หกปีแล้วยังไม่ได้คำตอบเหลือเรื่องเดียวเนี่ยมีสติดูกายดูจิตเนี่ย มีเรื่องเดียวชนี้เรื่อง อ, นอนื่นทามาหมดนอนเชื่อนนอนน้ําอดข้าวหัวน้ำจนเลือดจะหนังหุ้กดูกยังมีกิเลสตัณหาลาคะอยู่มันเกิดอะไรที่ไหนแต่มาเห็นตรงนี้มาทำตรงนี้น่ะมันก็เห็นเห็นพิเดอะไรมันเกิดขึ้นรู้อ้าวมันใช่ได้เวลามันหลงรู้ เวลามันโกดลูกเวลามันเคยเจอจิเลตต์หาลูกเวลามง่วงลูกเวลามันคิดไปลูกออกมาตั้งเดียวเท่เนี้แล้วปฏิบัติเปลี่ยนอะไรมาเป็นลูกทั้งหมดเปลี่ยนอะไรอะไรทุกอย่างมาเป็นลูกทั้งหมดแล้วก็มีแต่ลูกไปหนึ่งลูกสองลูกสองลูกสี่ลูห้าลูกหกลูก เจลู้แปดลูเก้าลู้สิบลู้สิบเอ็ดลู้สิบสองลู้สิบสามลู้สิบสี่ลู้ลอมันมีแป๊บเดียวสิบสี่วิลาทีได้สิบสี่ลู้แล้วเป็นกบเป็นก ร, รมขึ้นมาขยันขยันหรือเปล่าเพียนภาวนาคือลู้บ่อยๆลู้บ่อยรภาวนาทำให้มากต้งขยัน ที่ว่าความเพียปรปาวนาคือให้มากมากให้มากมากเรียกว่ากรรมคือที่ตั้งไว้ตั้งไวน้นี่ฐานคือที่ตั้งแหกากระทําไวน้นี่ควมเพียรก็อก้าทําไม่นอนไม่หลับไม่กินไม่อะไรยไม่กินอยู่แต่ว่าไม่เล่นเพียน ภาวนาขยันรู้ที่ ว, ว่ากรรมฐานภาวนาถ้าพูเจ้าทำอย่างนี้จึงเกิดพระเจ้าขึ้นมาหนึ่งวันเจ็ดปันจะเกิดเลยขึ้นถ้าไิสู่ตรงเนี้เราจะขอเป็นมิตรเป็นเพื่อนจะไม่พาหลงทิศลงทางนี่คือวิชากรรมฐาน เป็นสิ่งที่สัมผัสไม่ใช่เรียนรู้มันหลงเป็นยังไงรวมรูปเปยังไงสัมผัส ด, ดูความโกรธไปยังไงเหยียดโกรธเป็นรูปไปยังไงจิตตนามันคิดไปรวมรูปฉึกตัวมันไปยังไงม่นจะสัมผัสแบบเนี้ผมหลงไม่เป็นธรมรมผงไม่หลง เป็นธรรมขัวความโกรธไม่เป็นธรรมควาไม่โกรธเป็นธรรมรวมทุกข์ไม่เป็นธรรมควาไม่ทุกข์เป็นธรรมความคิดฟุ้งซ่านหลาคะโทสัมหาไม่เป็นธรรมความปกติของคิดเป็นธรรมสัมผัสดูสัมผัสไปเอาไปมาก็เลือกได้บัดเลือกได้เห็นแจ้งไม่ต้องถามใครวโกรธเป็นไงไม่โกรธเป็นไงไม่ต้องมีคําถามตัวเปล่าเอง เรียกว่าจัดจัดทำรรเป็นปนอย่างนี้ปฏิบัติธรรมให้พิสูจน์ดอมช่วยกันไม่ได้ต้องทำเองปฏิบัติปัจจัตังลูกเองเอา้าวสมควรเจอเวลาเนาะ